ต้นมะพร้าวหมายถึงม้ยืนต้นชนิดหนึ่งจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบต้นปลาล์มนะคะซึ่งเป็นพืชเกษตรที่ให้คุณค่าในด้านโพชนาการและก็เป็นพืชเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือว่ายุคไหนหากใครมีต้นมะพร้าวที่ให้ลูกดกและลูกโตแล้วก็ถือว่ามีความโชคดีเป็นอย่างมากคุณผู้ฟังอาจจะมีคําถามนะคะว่าเรื่องวิ ญ, ญญาณเรื่องผีมันไปเกี่ยวข้องอะไรกันกับต้นมะพร้าว ซึ่งก็แน่นอนนะคะถ้าไม่มีเหตุแล้วจะมีผลตามมาหรือไม่ทุกอย่างจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนเสมอนะคะคือตอนที่ผู้ที่เล่าเรื่องนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์เวศค่ะแกอายุได้8ดขวบแกเป็นคนบ้านนางคอยตำบลรากไซในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์เวศค่ะ พอเข้าหน้าแล้งมันก็จะแล้งจริงๆคือแล้งจนไม่มีน้ําจะดื่มจะใช้กันถึงหน้าหนาวมันก็หนาวจนน้ําในตุ่มเนี่ยจะกลายเป็นน้ําแข็งให้ได้เลยทีเดียวพอหน้าฝนก็เช่นกันค่ะมันตกจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นน้ําก็ท่วมทุ่งจนทุ่งนาเนี่ยกลายเป็นทะเลสาบไปหมดต้นข้าวที่ปักดำไว้มันก็ตายหมดเพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วก็ขังรากข้าวมันก็เน่าตายเรียบร้อยโรงเรียนอีสานนะคะ ชาวบ้านจึงยากจนค่ะหน้าเหี่ยวหน้าย่นกลายเป็นสีเหล็กเพราะว่ากร้านแดดกร้านลมบ่งบอกถึงลักษณะของความยากลำบากนะคะ ความยากจนทำให้คนในหมู่บ้านของเราขายที่ขายนาไปแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่ที่เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์เพื่อที่จะได้สร้างชีวิตใหม่แล้วก็ครอบครัวใหม่ซึ่งครอบครัวของอาจารย์เวศก็เช่นเดียวกันค่ะก็ทนต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนไม่ไหวก็เลยต้องขายที่ขายนานับรอยไร่เพียงเงินห้าหกมื่นบาทเท่านั้นจากนั้นพ่อกับแม่ของอาจารย์เวศก็ไปซื้ อ, อที่ดินอยู่แถวหมู่บ้านหนองหอยนะคะ ซึ่งที่ดินผืนที่คุณพ่อของอาจารย์เวทผู้ที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยซื้อมันจะเป็นสวนมะพร้าวเก่าแก่แต่ว่าได้ปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างซึ่งเจ้าของที่ไม่เคยให้ความสนใจทั้งเถาวัลย์ทั้งวัชพืชขึ้นหนาทึบไปหมด พ่อแล้วก็แม่ต้องช่วยกันถางป่าแล้วก็เถาวันออกแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นขึ้นมาซ่อมแซมเนื่องจากว่าที่ตรงนี้มีห้วยเป็นลำน้ําเล็กๆไหลผ่านกลางสวนพอดีก็เลยเหมาะนะคะที่จะปลูกพืชล้มลุกเพื่อเก็บไปขายหมุนเวียนทั้งปีค่ะทำให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแบบไม่ให้เดือดร้อนภายในสวนมีต้นมะพร้าวอยู่เป็นจานวนมากเกือบร้อยต้นมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งมันมีลาต้นสวยงามมากแล้วก็ยังมีลูกดกกว่าทุกต้น แต่ว่าลูกของต้นนี้ค่ะโตกว่าทุกต้นในสวนนอกจากลูกโตกว่าแล้วน้ำของมันยังหอมหวานกว่าต้นอื่นด้วยแต่ที่น่าสังเกตนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าแปลกใจที่สุดนั่นก็คือกระรอกกระแตหรือว่าพวกกลิงข้างบางชนีที่มีเป็นจำนวนมากพอสมควรมันไม่ให้ความสนใจกับต้นมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้เลยซึ่งปกติแล้วกระรอกกระแตแล้วก็พวกบางพวกกลิงมันจะชอบกินน้มามะพร้าวกันมากเลยนะคะ แต่ว่าทําไมพวกมันไม่ให้ความสนใจลูกมะพร้าวต้นนั้นแม้แต่ลูกมะพร้าวที่มันร่วงลงมากองกับพื้นยังไม่มีสัตว์ตัวไหนเข้าไปแตะต้องจะแตกต่างไปจากต้นมะพร้าวต้นอื่นที่ลูกโตแต่ว่าน้ําไม่ค่อยหวานออกจะเปรี้ยวสักหน่อยนึงแต่ว่าพวกสัตว์ต่างๆก็ไปรุมแทะกินน้ํากินเนื้อของมันอย่างอเอร็ดอร่อยวันที่พ่ออาจารย์เวทนํามะพร้าวน้ําหอมใส่เข่งไปวางขายในตลาดนะคะพอคนเห็น ลักษณะของลูกมะพร้าวก็จะถามว่ามะพร้าวทั้งหมดนี้มาจากสวนของใครพอพ่อบอกว่ามาจากสวนบ้านหนองหอยเท่านั้นแหละนะคะต่างก็เดินหนีไม่มีใครให้ความสนใจเลยคุณคงเป็นเจ้าของสวนรายใหม่ละสิแม้ค้าคนที่วางของขายติดกันกับพ่อเนี่ยถามนะคะบอกว่าพ่อไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยตอบตรงๆบอกว่าครับผมซื้อสวนมะพร้าวแห่งนี้เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง แม่ค้าคนนั้นเมื่อได้ยินแบบนี้ก็ยิ้มนะคะก่อนจะพูดว่าคุณเป็นเจ้าของสวนนี้รายที่5แล้วสวนแห่งนี้มันอุดมสมบูรณ์ดีมากแต่ก็ไม่มีรายไหนอยู่กันได้นานส่วนมากก็จะเพ่นหนีกันทั้งนั้นคุณพ่อของอาจารย์เวศนะคะก็ไม่ได้สงสัยอะไรแทนที่จะถามย้อนกลับไปว่าเพราะอะไรเพียงแต่พูดตามประสาซื่อๆนะคะบอกว่าผมชอบนะ แล้วก็จะอยู่ทำมาหากินที่นี่ตลอดไปเพราะว่าที่ดินผืนนี้มันถูกใจผมจริงๆผมเชื่อ ว, ว่ามันทำให้ครอบครัวของผมหายจากความยากจนได้แม่ค้าคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะคะแต่เขาก็มองหน้าคุณพ่อแล้วก็ยิ้มเหมือนจะอยากบอกนะคะ่ะว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เห็นเหมือนรายอื่นๆที่ผ่านมาวันแรกขายไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าส่วนมากที่ซื้อมะพระ้าวของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่มาจากที่อื่นหรือว่าจะเป็นลูกค้าจรนนั่นแหละนะคะ แต่แทนที่คุณพ่อจะท้อคุณพ่อกลับเอามะพร้าวในสวนนะคะที่มีอยู่เนี่ยขนไปขายที่ตลาดทุกวันซึ่งในที่สุดก็มีลูกค้าขาประจํามากขึ้นแล้วก็เริ่มขายดีโดยเฉพาะมะพร้าวน้ําหอมค่ะอีกสองวันผมจะมาซื้อมะพร้าวน้ําหอมของคุณแบบว่ามีเท่าไหร่เนี่ยผมขอซื้อหมดเลยละกันมีผู้ชายแปลกหน้าคนนึงนะคะมาบอกกับพ่อบอกว่าจะเหมาให้หมดเลยไม่เฉพาะแต่กับชายแปลกหน้าคนนี้เท่านั้นนะรายอื่นๆก็สั่งเหมาซื้อเหมือนกันหมด เพียงส3เดือนเท่านั้นค่ะพ่อก็มีเงินเก็บจํานวนหนึ่งจากการเก็บมะพร้าวในสวนไปขายครอบครัวของอาจารย์เวศก็เริ่มมีความหวังว่าจะหายจากความยากความจนน่นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะพ่อได้พูดออกมาอย่างตื่นเต้นบอกว่าพวกเราจะรวยกันแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมากเพราะว่าสวนนี้มีของเก่าให้เก็บไปขายมากมายไม่ต้องรอให้เสียเวลา พ่อพูดกับอาจารย์เวศแล้วก็น้องสาวนะคะด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขซึ่งต่อมาอีกไม่นานค่ะแม่ของอาจารย์เวศก็ตั้งท้องให้น้องอีกคนหนึ่งเวลาได้ผ่านไป 4-5 หเดือนแม่ก็เริ่มฝันร้ายเรื่อยมาทุกครั้งที่ฝันแม่ก็จะเล่าความฝันให้พ่อฟังเสมอแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความฝันของแม่มากนักนะคะพ่อก็จะพูดเพียงแต่ว่าคนกินมากมันก็ฝันมากไปคิดอะไรให้มันรคสมอง เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าจะมานั่งงมงายกับความฝันบ้าบอคอแตกได้สาระฉันฝันอีกแล้วผู้หญิงคนเดิมเนี่ใส่ชุดเดิมนุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อลายดอกทรงผมดอกกระทุ่มคราวนี้มันมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านเราแล้วก็เอามือชี้หน้าฉันพร้อมกับพูดเสียงดังขู่ฉันบอกว่าผัวมึงเอาลูกของกูไปขายบอกให้มันตามเอาลูกของกูคืนมาไม่งั้นมึงต้องตายมึงอย่าลืมบอกผัวมึงนะถ้าไม่ได้ลูกของกูคืนมาจําไว้มึงต้องตาย ผู้หญิงที่มายืนเท้าสีเอวหน้าบ้านในความฝันนะคะกล่าวอย่างอาฆาตซึ่งแทนที่พ่อจะตกใจแล้วก็เอะใจค่ะทั้งทังที่พ่อเป็นคนบร น, นอกเชื่อเรื่องพูดผีแล้วก็วิญญาณแต่ทําไมพ่อต้องนั่งหัวเราะเยาะเมื่อแม่เล่าความฝันประหลาดให้ฟังแต่ว่ายายของอาจารย์เวทที่นั่งฟังพ่อกับแม่คุยกันก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าไอ้เติมเอ้ยมึงเอามะพร้าวไปขายมึงก็รู้ว่าคนแถวนี้พอรู้ว่าเป็นมะพร้าวสวนบ้านหนองหอยก็ไม่มีใครกล้าซื้อ มึงได้คิดอะไรบ้างไหมคิดอะไรเหรอแม่คนแถวนี้ไม่ซื้อคนที่อื่นเขาก็ซื้อไปกินกันตอนนี้ผมมีลูกค้าประจำแล้วมีเท่าไหร่เข้าเหมาหมดโดยเฉพาะลูกมะพร้าวต้นที่สัตว์ไม่ยอมแตะนั่นเนี่ยคนเขาจองหมดแล้วแม่ไม่รู้อะไรอไอเติมมึงอย่าบ่ายเบี่ยงมากนักเลยมึงคิดให้ดีสิว่าบางสิ่งบางอย่างไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะเว้ยคนไม่กินมะพร้าวสวนบ้านนองหอยเพราะอะไร คิดให้ดีๆกูว่ามันเป็นมะพร้าวผีเสียงนาไม่งั้นมันไม่มาทวงลูกของมันหรอกก็มึงเอาลูกของมันไปขายจริงๆโถแม่นี่มันลูกมะพร้าวนะแม่ไม่ใช่ลูกคนป่านนี้เขากินกันหมดแล้วจะไปตามทวงคืนมาได้ยังไงไปเชื่ออะไรกับความฝันมากมายนะักไอเติมมึงไม่เชื่อแต่กูเชื่อนะกูเป็นห่วงลูกสาวของกู กูจะไปหาหมอทำพิธีปัดรังควานและมึงจะต้องร่วมมือกับกูเอาเงินที่มึงขายมะพร้าวเนี่ยไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของสวนที่เขาชื่ออะไร น, นั่นอะเพื่อให้มันได้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องมาทุกข์ทรมานเป็นผีที่หนาไปด้วยกิเลสเช่นนี้นะเงินขายมะพร้าวนะ่ะเหรอแม่ผมเอาไปใช้จ่ายเกือบหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยเองนังฟ้ายผู้เป็นแม่ยายก็ทาหน้าสลดค่ะ ในเติมเมื่อเห็นแม่ยายทำหน้าไม่สบายก็พูดขึ้นมาเหมือนเป็นการเอาใจก็บอกออกมาว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะแม่เพื่อให้แม่เกิดความสบายใจผมจะไปนิมนต์พระมาทําบุญปัดรางวาลที่บ้านเพราะว่าตอนที่เราเข้าอยู่ใหม่ๆเราก็ไม่ได้ทําบุญบ้านถูกไหมเป็นจังหวะเหมาะเลยที่จะได้เอาเงินทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปให้เจ้ากรรมนายเวรและก็เจ้าของที่แห่งนี้ด้วยเออดีอย่างนี้มันก็ยังดีกว่าการดันทุรังไม่เข้าท่า เองไปนิมนต์พระมานะส่วนข้าจะไปหาหมอผีมาทําพิธีอีกทางหนึง่งหลังจากการทําบุญบ้านแล้วก็ปัดรังควานสิ่งไม่ดีออกจากบ้านแล้วนะคะท้องของแม่ก็โตขึ้นเรื่อยๆจนครบกําหนดคลอดค่ะพ่อก็ได้พาแม่ไปคลอดที่โรงพยาบาลในจังหวัดคืนนั้นทั้งคืนแม่ปวดท้องเหมือนจะคลอดลูกแต่ก็ไม่ยอมคลอดแม้หมอจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็ตามค่ะ จนในที่สุดแม่ก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวแม่ก็ได้สลบไปแล้วก็ฝันนะคะว่ามีเด็กผมจุกนุ่งจงกระเบนสีแพรวมาบอกว่าผมหวังจะมาช่วยพ่อกับแม่ช่วยบอกหมอให้ผ่าเอาผมออกอย่าให้ผมออกทั้งนั้นเลยและไม่ต้องยกผมให้หมอนะผมกลัวพวกหมอจะเอาผมเศษขวดโหลผมไม่ชอบอย่าลืมให้หมอผ่าเอาผมออกนะแม่นะ เด็กผมจุกพูดจบก็หายไปอาจารย์เวทบอกว่าพอแม่ของอาจารย์เวทตื่นจากสลบแม่ก็เล่าความฝันให้พ่อฟังพ่อไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆกลับเชื่อนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เลยไปบอกให้หมอผ่าเอาเด็กออกหมอเห็นว่าเลยกำหนดคลอดมาหลายวันแล้วก็เลยตกลงผ่าออกนะคะปรากฏว่าเด็กที่อยู่ในท้องได้เสียชีวิตมานานเป็นเดือนแล้วโดยที่แม่ไม่ได้เป็นอะไร หมอที่ผ่าตัดก็เลยเก็บเด็กที่ตายในท้องไว้เพื่อเป็นการศึกษาแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมให้เพราะว่าแม่และก็พ่อเชื่อตามที่เด็กจุกนั้นสั่งไว้นะคะเชื่อหมอเถอะครับคุณเอาไปเก็บไว้มันไม่ดีหรอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยคุณเอาผีไปไว้ในครัวเรือนมันเป็นสิ่งอั ป, ปมงคลเปล่าๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะหมอจะช่วยค่าทําขวัญ 2,000 บาทคุณผู้ฟังคะเงินทําขวัญ 2,000 บาทสมัยนั้ น, นไม่น้อยนะคะ ขณะที่ขนมะพร้าวไปขายเป็นเดือนยังได้เงินไม่ถึงสองพันเลยหากเทียบกับค่าของเงินในปัจจุบันนี้ก็ประมาณสอง0 0ื่กว่าบาทพ่อจึงเปลี่ยนใจยอมให้หมอเอาเด็กไปซึ่งคืนต่อมาเด็กจุกมาเข้าฝันแม่อีกพร้อมกับตัดพ้อต่อว่าพ่อและแม่ว่าพ่อไม่น่าขายผมให้หมอเลยผมหวังจะช่วยพ่อกับแม่ให้รอดพ้นจากอันตรายผมไม่อาจจะช่วยพ่อกับแม่ได้แล้วแล้วร่างของเด็กจุกนั้นก็หายไปนะคะ แม่เริ่มฝันเห็นอะไรแปลกๆบางคืนแม่ก็ฝันว่ามีคนมาขับไล่ให้ย้ายออกจากบ้านไปบางคืนแม่ก็กรีดร้องขึ้นมากลางดึกแล้วก็โวยวายว่ามีผู้หญิงไม่ลูกอ่อนจะมาฆ่าพวกเราทั้งพ่อแล้วก็น้องก็เลยผลัดกันเข้าเวรยามคอยดูแลแม่ต่างก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะต่อมาได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาปักกลดใกล้ๆกันกันกบสวน พ่อกับยายก็เลยถือโอกาสเข้าไปกระดาบนมั ส, สการแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพระธุดงฟังพระธุดงบอกว่าที่นี่เจ้าที่เขาแรงนะโยมเพราะว่าเป็นวิญญาณไม่ลูกอ่อนเสียชีวิตด้วยสิเขาก็เลยเป็นวิญญาณพยาบาทอาฆาตผู้หญิงทุกคนที่ตั้งท้องและเข้ามาอยู่ที่นี่แต่เอาเถอะคืนนี้อาตมาจะลองติดต่อกับเขาดูให้นะเผื่อเขาเลิกจองเวรจองกรรมกับโยมสัทีพรุ่งนี้โยมค่อยมาฟังผลละกัน คืนต่อมาหลังจากพ่อและก็ยายได้ไปนมั ส, สการพระธุดงแล้วท่านรับปากจะเจรจากับเจ้าของที่ให้ปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนแม่ไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาเลยนะคะพอรุ่งเช้าพ่อก็ได้ไปหาพระธุดงที่ท่านนัดไว้พระธุดงบอกกับพ่อว่าที่สวนมะพร้าวมีมะพร้าวน้ําหอมหวานอยู่ต้นหนึ่งมันจะให้ลูกดกมากมีวิ ญ, ญญาณสิงอยู่ชื่อนางรมขณะที่เขาตั้งท้องได้ไปผูกคอตายกับต้นมะพร้าวต้นนี้ ดังนั้นมันก็เลยคิดว่าลูกมะพร้าวต้นนี้เป็นลูกของมันใครจะแตะต้องไม่ได้จะต้องตามไปทวงคืนคนในละแวกนี้จึงไม่กล้าซื้อลูกมะพร้าวต้นนี้เพราะว่ากลัวมันไปทวงคืนถึงบ้านแต่ว่าต่อไปนี้โยมผู้หญิงแล้วก็ครอบครัวไม่เป็นอะไรแล้วนะอัตจจมาได้ช่วยส่งวิญญาณของนางคาไปผุดไปเกิดแล้ว เรื่องนี้คุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวของคุณผู้ฟังเองนะคะสุดแท้แต่จะพิจารณาเองหากว่าอยากจะฟังเพื่อความบันเทิงก็สามารถฟังได้ไม่มีพิษมีภยัยแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อนะคะก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองให้ดีด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เราหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันจากอาจารย์เวศค่ะ วิญญาณและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่เป็นคำถามที่หาคำตอบยากยิ่งนักเพราะว่าคนแต่ละคนแต่ละยุคสมัยนั้นต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันทั้งด้านความคิดทั้งท้งที่นับถือาศาสนาพุทธและก็ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมเดียวกันซึ่งก็เป็นธรรมดาของโลกแห่งประชาธิปไตยไม่มีใครมาบังคับหรือว่ากักขังความคิดเห็นของคนอื่นได้นะคะเพราะว่าคนหรือมนุษย์ที่ถือตัวเองว่าเป็นสัตว์โลกที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ได้ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกันทั้งในด้านสังคมจิตใจสติปัญญาความเมตตาและความการุณาต่อสัตว์ผู้ด้อยกว่ารวมไปถึงรู้จักคิดและรู้จักสรรสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับตนเองและเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์เดรัจฉานการยกย่องตนเองของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์โลกที่มีความประเสริฐที่สุดก็น่าจะเป็นความคิดที่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงค่ะด้วยเหตุแห่งสติปัญญาของคนนี้เองก็เลยมีมุมมองในแต่และเรื่องไม่เหมือนกันจะมีความขัดแย้งเสมอมาทั้งขัดแย้งมากขัดแย้งน้อยแต่จะยอมรับกันและกันด้วยเหตุผลและหลักฐานมาตัสินความคิดหรือความขัดแย้งอย่างถูกต้องว่าจริงหรือไม่จริง เรียกว่าเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบการพิสูจน์แล้วก็พิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อความถูกต้องและแม่นยำค่ะแต่ว่าบางเรื่องที่อยู่เหนือการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์แต่จะมีเหตุผลที่เกิดขึ้นให้ได้เห็นเป็นประจักษ์ในความเป็นไปได้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความจริงไม่ใช่เรื่องงมงายเหลวไหลไร้สาระแต่ประการใดเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นและเป็นไปนั้นเรา ไม่สามารถมองเห็นตัวตนด้วยตาเปล่าหรือว่าตาเนื้อนะคะยกตัวอย่างเรื่องของกรณีเรื่องราวเท้าหิรันพนาสูนค่ะที่ประดิษฐานอยู่ณนะสารเทพารักษพระราชวังพญาไทยซึ่งเป็นเทพารักษประจําพระราชวังพญาไทยตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกทรงพระราชนิพนธ์เพื่อให้กร ม, มหลวงปราจินกิติบดีราชเลขานุการในพระองค์นิพน์ประกาศดังนี้ ข้อความบางตอนนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นเดิมเมื่อปีรอศ .125 สอหหรือประมาณปีพุทธศักราช 2,449 นะคะพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสมณฑลพายัพเพื่อจะออกเดินทางจากอุตรดิตถ์ไปในทางป่า เวลานั้นผู้ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินพากันมีความหวัดหวัน่นพรั่นพรึงเพราะว่าต่างเกรงกลัวไข้ป่าและพยันตรายต่างๆซึ่งจะพึงมีมาได้ในป่ากลางทางจึงได้ตรัสชี้แจงว่าธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จไปหน้าที่แห่งใดก็ดีจะมีทั้งเทวดาแล้วก็ปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฐิคอยติดตามป้องกันพยันตรายทั้งปวงมีให้มากร่ำกระพระองค์และข้าราชบริพารผู้โดยเสด็จได้ ถึงในการเสด็จคราวนี้ก็มีเหมือนกันอยากให้ผู้ใดผู้หนึ่งวิตกไปเลยต่อนนี้ไปผู้ติดตามเสด็จผู้หนึ่ง กล่าวว่าฝันเห็นผู้ชายผู้หนึ่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตได้บอกกับผู้ที่ฝันนั้นว่าตนชื่อหิรันพนาสูนเป็นอสูนชาวป่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติในครั้งนี้จะตามเสด็จพระราชดำเนินไปในกระบวนเพื่อคอยดูแลระวังมีให้เกิดพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันจะพึงเกิดขึ้นในระยะทางกลางป่านั้นหมากร่ากรลายพระองค์หรือข้าราชบริพารทั้งหลายทั้งปวงที่ตามเสด็จได้ ครั้นส่งทราบเช่นนี้จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้จัดทูบเทียนและเครื่องพภชนาการไปเส้นที่ป่าริมพลับพลาและเวลาเสวยข่ำทุกๆวันก็ได้ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้แบ่งพระกระยาหารจากเครื่องไปตั้งเส้นเสมอ ภายหลังคราวเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสมนทนพายัพนั้นแม้จะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปแห่งใดก่อนจะเสด็จออกจากทางกรุงเทพบรรดาข้าราชบริพารในพระองค์ก็พร้อมใจกันเชิญเท้าหิรันพนาสูลให้ตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและโดยมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปโดยสวัสดิภาพแล้วพวกบรรดาข้าราชบริพารก็จะกล่าวว่าเพราะเท้าหิรันพนาสูลตามเสด็จมาด้วยทุกครั้งนะคะ บางคราวสมัยเมื่อเสด็จไปประทับอยู่ในหัวเมืองถึงกับได้มีผู้อ้างว่ามองเห็นผู้ชายร่างกายสูงใหญ่ล่าสันยืนหรือนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆที่ประทับแล้วก็อ้างว่าได้แลเห็นพร้อมๆกันหลายคนก็มีการที่มีผู้นิยมเชื่อถือในฮิรันพนาสุรเช่นนี้มิใช่แต่เฉพาะในหมู่ผู้ที่เป็นข้าราชบริพารที่ตามเสด็จในกระบวนทั้งข้าราชการฝ่ายเทสาพิบาลก็ปลอยนิยมเชื่อถือไปด้วย การที่มีผู้เชื่อถือเช่นนี้จะมีมูลหรือไม่อย่างไรก็ดีส่งพระราชดําริว่าเป็นธรรมดาคนโดยมากอย่างละเว้นความประสงค์ที่จะหาเทวดาหรือมนุษย์เป็นที่พึ่งคุ้มเกรงพยันตรายต่างๆนั้นมิได้ขาดทีเดียวเมื่อมีนิยมที่ยึดเหนี่ยวอยู่เช่นหิรันพนาสูนเป็นต้นก็มักจะทําให้เป็นที่อุ่นใจการจะเดินทางไปในที่กันดาลถ้าแม้ใจดีอยู่แล้วก็มักจะไม่ใคร่เป็นอันตรายเมื่อพระราชดําริดังนี้ จึงได้ส่งตกลงคงเส้นฮิรันพนาศูนต่อมาคือให้แบ่งพระกริยาหารเสวยจากเครื่องอย่างเช่นที่เคยทำมาแล้วเมื่อครั้งเสด็จมณฑลพายับนั้นเป็นธรรมเนียมมาจนบัดนี้นะคะครั้นต่อมาในรอส2 9อหรือพุทธศักราช2453พระองค์ได้เสด็จถลเอิงทวัรราชสมบัติแล้วพระองค์ท่งคำหนึ่งถึงฮิรันพนาศูน์ซึ่งนิยมกันว่าได้เคยตามเสด็จพระราชดำเนินมาหลายแห่งหลายหน การเสด็จพระราชดำเนินไปแห่งใดก็เป็นไปโดยสวัสดิภาพและเป็นที่อบอุ่นใจของข้าราชบริพารโดยทั่วไปพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างหล่อรูปฮิวรันพนาสูนด้วยทองสำริดแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายนรศ130หรือพศ2454นะคะจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเครื่องสังเวยเส้นสวงตามสมควรแล้วก็ขอเชิญฮิวรันพนาสูนเข้าสิงสถิตใน รูปสำริจนี้และทรงขนานนามพระราชทานใหม่ว่าเท้าหิรันพนาสูนมีชดาเสิ้อตอย่างไทยโบราณและใช้ไม้เทา้าเป็นเครื่องประดับยศสืบปลายค่ะในปีพศ2465มีการสร้างพระราชวังเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะให้มีสาราเทพรักษ์ประจำพระราชวังจึงทรงปลดกล้าวให้หลอดรูปเท้าหิรันพนาสูนขนาดใหญ่ด้วยทองสำริดนะคะ โดยมีนายตาบพรพยักษหรือว่าขุนฮิรันปราศาสตร์มหัสเล็กรับใช้เป็นแบบพระเทพรจนาปั้นหุ่นเสร็จตามกำหนดหล่อรูปเมื่อวันที่15ก ร, รกฎาคมพุทธศักราช2465ก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบีครูเซอร์ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างสารสำหรับเป็นที่ประดิษฐานรูปเท้าฮิรันพนาสูน จดมาเหตุรายวันของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำวันที่16เมษายน2466บันทึกไว้ค่ะว่าเวลา16นาฬิกาลงจากพระที่นั่งพิมานจั ก, กรีตรงไปที่บุษบกศิลาที่ตั้งเท้าฮิรันพนาศูลซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสามเสนตรึงแผ่นทองแดงจารึกที่ฐานบุษบกเปิดคลุมรูปเท้าหิรันและจุดเทียนสังเวย ตามคำบอกเล่าต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยนอกจากเรื่องราวของเท้าฮิรันพนาสูรได้ปรากฏตัวให้เห็นในนิมิตหรือว่าในฝันและได้สำแดงตนให้เหล่าข้าราชบริพารได้เห็นกับตาตัวเองตามแนวชายป่าใกล้พลับพลาที่ประทับในยามเสด็จประพาสหัวเมืองไกลา ย, ยามใดที่มหัดเล็กลบหลู่ดูแคลนหรือละเลยของเส้นไหว้ก็มีปรากฏการอะไราแปลกๆให้เห็นเป็นการเตือนเสมอนะคะ และในความอัศจรรย์ของเท้าหิรันพนาสูน์อันเป็นที่เลื่องลือกันมากๆก็คือหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จสวรรคตแล้วรถพระที่นั่งโอเปิลซึ่งมีรูปท่านเท้าหิรันพนาสูนที่หน้ามออรถได้แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นก็คือเมื่อได้นํารถไปเก็บไว้ที่โรงเก็บรถยนต์หลวงในพระบรมมหาราชวังก็ปรากฏค่ะว่าเท้าหิรันพนาสูนที่หน้ามอรถได้กลับมาวังพญาไทยเองถึงสครั้งสามคราจนต้องอัญเชิญรูปเท้าหิรันพนาสูนมาประดิษฐานณพระที่นั่ง อุดมวนาพรไว้เป็นที่ศักการะอีกแห่งหนึ่งค่ะหลังจากที่พระราชวังพญาไทยได้เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลกองทัพ บ, บก และได้พัฒนามาเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าข้าราชการและประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎส่วนมากจะไปกราบขอพรจากเท้าหิรันพนาสูนอันเป็นเทพารักษ์กศักดิ์สิทธิ์ประจําพระราชวังพญาไทยพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านเท้าช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงและความทุกข์ร้อนประดาให้ออกจากตัวไปให้หมดสิ้นนะคะพร้อมกับขอความสุขสวัสดีมีชัยใน การดำเนินชีวิตตลอดไปจากการพูดคุยกับบรรดาญาติของคนป่วยที่ไปนั่งรับลมบริเวณสารของเท้าหีรันพนาศูนย์ขนาดใหญ่ยืนเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามในมือถือกระบองเหลืองอร่ามไปทั้งตัวบนฐานเต็มไปด้วยพวงมาลัยที่ชาวบ้านนํามาบูชาเพื่อขอพรบริเวณสถานที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยต้นไม้ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีและภายใต้ร่มเงานั้นยังมีม้าหินอ่อนนั่งพักผ่อนตามสบายอยู่หลายตัว หากพูดถึงทัศนียภาพโดยรอบบริเวณนั้นก็จะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งแจ้งไม่อึดอัด ประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้เงาร่มเย็นสบายกลางทุ่งนาที่ล้อมรอบไปด้วยกอข้าวขึ้นเขียวขจีในฤดูฝนอย่างไรอย่างนั้นนะคะที่พูดมาหาได้เกินจริงแต่น้อยไม่คุณผู้ฟังก็ว่างๆก็ลองไปสักการะดูตามความเชื่อส่วนตัวนะคะซึ่งก็จะมีรูปปั้นเท้าหิรันพนาสูนยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนั่นเองค่ะ หมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจช่องพระเจอผีช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะค ะ, จะเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ